สรุปู่้ฉันต้องแพ้ก็อย่ามาถามเหมือนคนยังรักกันทำอย่างนั้นมันกลัวฉันจะขาดใจ Make it c a n แค่งขัน ฉัน